ครั้นได้บรรลุพระอรหัสต์แล้วคาถานี้จึงได้เป็นคาถาอุทานของพระเถรีนี้ด้วยพระเถรีนี้เริ่มบำเพ็ญบารมีในสมัยพระพุทธเจ้าโกนาคัมนาะคาถานั้นมีอธิบายว่ากามราคะของพระเถรีสงบดีแล้วด้วยอนาคามิมักจึงได้พักผ่อนได้สบายเพื่อก้าวหน้าละภาวะราคะที่เหลือต่อไป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 พระมุตตาเถรีภิกษุณีผู้พ้นจากความค้อมสามอย่างชาสุดท้ายนางเกิดเป็นบุตรสาวของพราหมยยากจนตระกูลหนึ่งในโกสลชนบทแต่อธกถาอ้างคำพีอปทานว่านางเกิดในสกุลพราหมณ์ที่มีทรัพย์อยู่แต่ในนิเวศไม่เคยเห็นสิ่งที่สวยงามบนพื้นปฐพีเวลาจเจริญวัยแล้ว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 12. พระชันตาเทรีภิกษุณีผู้หลงรูปโฉมชาสุดท้ายนางเกิดในราชตระกูลฤิชวุวีกรุงเวสาลีเป็นพระราชธิดาของกษัตริย์ดิชวุวีพระนางมีรูปโฉมงดงามเป็นผู้ยึดติดในรูปร่างกายเช่นเดียวกับพระนางอภิรูปนันธาเถรีต่อมานางได้ฟังธรรมที่พระาศาสดาทรงแสดง แล้วบรรลุพระอรหันต์ในเวลาจบเทศนาท่านพิจารณาคุณวิเศษที่ตนบรรลุได้กล่าวสองคถาเหล่านี้ด้วยอำนาจปีติยินดีว่าโพธชงเจ็ดประการเป็นทางแห่งการบรรลุพระนิพพานโพธชงเจ็ดเหล่านั้นทั้งหมดเราจะเินแล้วอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเราได้เห็นแล้ว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 พุฏาสนาสุภาษิตอายาจิตโตตตโตคัจจิอนนุณ ญ, ญาโตอิโตคัตโตกุโตปินุนะอคันตวาวาสิตวากติปาหะกังอิโตปิอันเยนาคัตโตตตโตอันเยนะคัจติเปโตมนุสสรูเปนะ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 คนก็รู้จักกันทั่วไปว่านางคือมารดาของพระสุมังคละจึงเรียกว่าสุมังคละมารดาหรือสุมังคละมาตาแต่เพราะชื่อและโคตของนางไม่ปรากฏฉะนั้นท่านจึงกล่าวไว้ในบาลีอปท า, านว่าภิกษุณีเถรีองค์หนึ่งไม่ปรากฏชื่ออัญญตาเถรีภิกษุณี ตอมานางได้ออกบวชในหมู่ภิกษุณีเจริญวิปัสสนาอยู่เนืองเนืองวันหนึ่งดัานได้พิจารณาความลำบากที่ตนได้รับในเวลาเป็นคฤาลือหัดเกิดความสังเวชเจริญวิปัสสนาจนบรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายแล้วได้เปร่งอุทานสองคถาเหล่านี้ว่าเราพ้นดีแล้วในการพ้นดีแล้ว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 ท่านแสดงความหลุดพ้นจากสิ่งที่ท่านรังเกียจในเวลายังเป็นขลือหัดเพราะท่านเคยตาข้าวเองด้วยความยากจนทั้งสามีก็เป็นคนไม่มีศีลธรรมท่านมีอาชีพทาร่มขายจึงพ้นจากสามีเสียงผ่าฟืนของสามีอันเท่ากับพ้นจากราคะและโทสะพ้นจากกลิ่นงูน้ำเป็นกลิ่นที่เกิดจากการหมักหมมของภาชนะ ท่านอยู่ด้วยผลสมบัติสุขพุทธศาสนาสุภาษิตนักขัดตานี้สมณนัสสันตาอังคิงปริจรังวะเนยัถาพุจมะชานันตาพลาสุททิงอมัญญาะ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 รูปร่างกายนี้ไม่เที่ยงแท้เป็นทุกข์ไม่สวยงามจริงจึงคลายกำหนัดและถึงความหลุดพ้น 25. พระจิตตาเถรีภิกษุณีผู้บวชเมื่อแก่ชาติสุดท้ายนางเกิดในตระกูลขาหาบดีกรุงรัชครื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 ทศาสนาสุภาษิตกนุตเตอิทธมักขาสิอาชานันตัสอาชานกโกอุทธกาภิกษจนานามะ ป, ปะปกรรมมาปะมุจจติสักขงังโนมะขมิสันติสัพเพกันถู ก, กัดฉปานาคาจะสังสุมาราจะเยจันเยอุทธเกจารา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 ก็เห็นตามนั้นแล้วมีจิตกำหนดรูปธรรมและอรูปธรรมทั้งหลายโดยความเป็นไตรลักษ์แห่งอนิจจานุปัสสนาเป็นต้นก็สามารถถอนกิเลส ท, ทั้งปวงได้โดยอรหัตตะมักยี่สิบเก้าพระอภยเถรี ภิกษุณีผู้เป็นสหายของพระอาภัยมาตาเถรีชาติสุดท้ายนางเกิดในเรือนตระกูลหนึ่งในกรุงอุเชนีเจริญวัยแล้วได้เป็นเพื่อนกับพระอาภัยมาตาเถรีอัตถกะถาเรียกพระอภยยมาตุเมื่อพระอาภัยมาตาเถรีบวชเธอจึงได้บวช ด, ด้วยความศเนหาพระเถรีนั้น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 บรรลุความสิ้นตัณหาได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเวลาจบคาถาพระเถรีนั้นได้บรรลุพระอระหัตบาลีอัิธานว่าพระเถรีนี้เริ่มบาเพ็ญบารมีในสมัยพระพุทธเจ้าสิกีมีกรุงอรุณวัดดีเป็นเมืองหลวงนางเป็นพระมเหสีพระเจ้าอารุณราช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 จนราตรีที่8ดจึงปรับความเพียรให้สม่ำเสมอและบรรลุพระอรหัตได้